Mm. -hmm. เก็บไว้ขึ้นใดอย่าให้อ่อนไว้ถึงมันอาจพลาดไปแต่จงมั่นใจว่าสักวันใครที่เคยคิดถึงสุดท้ายก็คงต้องเป็นเธอใครที่เคยพบเจอรักจริงสุดท้ายก็คงต้องเป็น ใจโลกยังมุนไปยังมุนไปยังคงมุนไปอยู่ทุกวั รหายใจเธอยังมีฉันร้องเล่นกล่อมทุกวันก็อยากให้เธอหลับบันดีมีอะไรที่มันข้างใจเอามาให้ฉันล้างเองมีบางทีที่มันวัว่เวงเอามาให้ฉันรับเองโลกยัง หมุนไปยังหมุนไปยังคงหมุนไปอยู่ทุกวัน oh. ทุกลมหายใจเธอยังมีัน้รอ้องเพลงกลอบทุกวันก็อยากให้เธอหลับฝันดีมีอะไรที่มันข้างใจเอามาให้ฉันล้างเองมีบางทีที่มันวางไวเอามาให้ฉันรับเอง โลกยังหมุนไปยังหมุนไปยังคงหมุนไปอยู่ทุกวันไปยังุนไปยังคงไปโลกยังหมุนไปยังหมุนไปยังคงหมุนไปอยู่ทุกวัน